บุ๊ก2ห้าทูประเทศและภาษาฮะกูจบจรจอห์นมาจากลอนดอนจอห์นลอนดอนชิช จอห์นลอนดอนชื ism, London, ่อลอนดออยู ism, o, ่ในประเทศอังกฤษลอนดอนอินดอนลิม่เขาพูดภาษาอังกฤษอร์อังกฤษลิบเซเมักฤษล มาเรียมาจากมาดริดมาเรียมาดริด s h i มาเรียมาดริดมาดริดอยู่ในประเทศสเปนมาดริดอิสปาเนียม s h มาดริดอิสปาเนียมเธอพูดภาษาสเปนอาร์อิสปานซ ไม่กุอิสปาเนบซ์เช่ไม่กุศะฮปีเตอร์และมา่ามาจากเบอร์ลินปีโอรมาทร์เร่เบอร์ลินชิชชุกปีโอทร์เร่มาทร์เบลินชิชเบอร์ลินอยู่ในประเทศเยอรมัน เบอร์ลินเยอรมนีมเบอร์ลินเยอรมนีชคุณทั้งสองพูดภาษาเยอรมันใช่ไหมฮิตวนัมบเซจชวกุชิอาฮิตวนัมทบเซจ์ชัวกุชิอาลอนดอนเป็นเมืองหลวงลอนดอนแควลชฮาลอนดอน ก็ลอะช้ามาดริดและเบอร์ลินก็เป็นเมืองหลวงมดริดีบิรลินีอัคริก็เลอะชมดริดีเบอรลินีคกเอเมืองหลวงใหญ่และเสียงดงังก็ลอะชาอ خر, ยินดีทีบ ร, สริสุทก็เลอะชร ยนูนฟอจิบรสรุิ์ประเทศฝรั่งเศสอยู่ในทวีปยุโรปฝรังเศรปมัชรโรปมชประเทศอียิปอยู่ในทวีปแอฟริกามซร์แอฟริกัมชมซร์แอฟริกัมชิม ประเทศญี่ปุ่นอยู่ในทวีปเอเชียยร์อาเซียมชิญี่ปุ่นยิร์อาเซียมชิประเทศแคนาดาอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือแคนาเดอร์เทมรอเมริัมชินาดอร์เมรอเมริกัมชิ ประเทศปานามาอยู่ในทวี ป, ป อ, อเมริกากลางปานาม ม, มิประเทศบราซิลอยู่ในทวีป ика, อเมริกราใต้